ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส ไกลางบนในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็หยุดใจไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับหินเนือ้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือให้วจะให้หยุดนิ่งๆอย่างสบายๆ แล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสที่ใสเหมือนกระเพ็ที่เช้ในยแล้วไม่มีตำหนิเลยหรือกลางองค์พระใสใสอย่างใดอย่างหนึ่งนะจ๊ะ เนึกไปอย่างสบายๆให้ใจหยุดใจนิ่งๆให้ต่อเนื่องกันไปละครองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรังตัมมาอรังสัมมาอ ร, ร, รังภาวนา ไปเรื่อยๆอ ย, อย่างสบายๆใจหยุดนี่เป็นที่สุดของทุกสิ่งที่เราปรารถนาเช่นความสุขที่แท้จริงความบริสุทธิ์หรือความรู้แจ้งแห่งตลอดในสรรพสัตว์สรพสิ่งทั้งหลาย อยู่ที่ใจหยุดนิ่งนิ่งนี่อย่างเดียวหยุดจึงเป็นตัวสําเร็จที่เราจะต้องฝึกกันให้ได้ฝึกกันไปทุกวันฝึกทุกวันเลยฝึกหยุดฝึกนิ่งให้สม่ำเสมอหยุดตรงข้ามกับความเมา่อย ที่จะดึงใจของเรานให้หลุดพ้นจากกลางกายไปติดในเรื่องราวต่างๆที่ไม่เกิดประโยชน์แต่ใจใ ห, หยุดนี้จะทำให้เราเข้าถึงพระรณาไตรในตัวถึงพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังพรัตนะซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึก ติดแท้จริงของเราสิ่งอื่นไม่ใช่การที่เรามีที่พึ่งที่เราเลึกอย่าง น, นี้จะทำให้เราเอบอุ่นใจแล้วก็จะปลอดจากภัยทั้งหลายภัยในอบายภัยในสังสารวัตรเพราะฉะนั้นเยวต้องขยันตามความเพียร ให้สม่ำเสมออย่าท้อใจนะแม้ว่าเรายังนั่งไม่ได้เห็นอะไรยังมืดตึ้มืดมิดอะไรต่างๆแล้วนั้นให้ฝึกไปเรื่อยๆในทุกกิริยาพจนั่งนอนยืนเดินทุกวันทุกคืนทีเดียวแหละควบคูบบบ่กับภารกิจประจำวัน ฝึกเอาไว้เพราะวันนี้คืองานที่แท้จริงของเราเป็นกรณียกิจกิตที่สำคัญอย่างยิ่งของการเกิดว่าเป็นมนุษย์แต่จริงๆแล้วแม้แต่เทวดานี่ก็จะต้องฝึกหยุดนิ่งเลยแหละทำไมฝึกให้หยุดให้นิ่งใจก็จะเพลนอยู่ในกามของทิ่ หรือที่พะยาะสมบัติถึงแม่จะมีความสุขจต่มันก็ น, น้อยกว่าสุขที่เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเนะพราะนั้นหมั่นฝึกให้ได้ทุกวันอย่าให้มีอะไรมาเป็นข้ออ้างขอแม่หรือเงื่อนไขนะจ๊ะในการที่เราจะเกณฑ์การหรือเลื่อนการฝึกออกไปต้องทําทุกวัน ่าไปคอยให้มันพร้อมเพราะว่าความพร้อมเนี่ยมันอยู่ที่เรานะถ้าเราตั้งใจทำเดี๋ยวนี้มันก็พร้อมเดี๋ยวนี้นั้นฝึกไปเรื่อยๆแล้วก็พยายามหมั่นสังเกตูว่าเราทำถูกหลักวิชาไหมซึ่งถ้าทำถูกหลักวิชาแล้วก็จะต้อง ก็ถึงพระัตนตรัยกันอย่างแน่นอนนะดังนั้นเราก็หมั่นสังเกตดูว่าเราทําตึงเกินไปไหมตั้งใจเกินไปมากหรือเปล่ามีความทยานอยากอยากได้ความสงบอยากเห็นดวงใสอยากเห็นองค์พระอย่างที่คนอื่นเขาเห็นมันมากอกินไปไหมก็สังเกตดู เพราะความอยากอย่างนี้จะทำให้เรานะตั้งใจมากแล้วก็จะไปเค้นภาพให้มันทะลักเข้ามาในท้องนะซึ่งผลก็คือความไม่สบายกายที่ร่างกายมันจะตึงมันจะเกร็งมันจะเครียดและความท้อก็จะตามมาในภายหลังความท้อความน้อยใจอะไรต่างๆเหล่านั้น เพานั่นก็ให้สังเกตดูหรือว่าเราย่อหย่อนเกินไปนั่งหลับตาจริงท่าสมาธิจริงแต่ปล่อยใจใฟุ้งบงังเคลิบเคลิคล้ม บ, บงกระจายกระจายไปทีที่ต่างๆบ้างอย่างนี้นั่งมันก็เหมือนกับไปนั่งแหละพอมันหย่อนเกินไปถ้าพอดีไม่ตึงไม่หย่อนเนี่ย แม่ยังไม่มีแสงสว่างมาให้ดูไม่ได้เห็นดวงธรรมกายภายในเรือองพระก็ตามแต่มันจะรู้สึกสบายตั้งแต่ไม่สุขจะไม่ทุกข์แล้วก็ตัวก็จะเริ่มโล่งโปร่งคือตัวจะลงโลุ ง, งกลวง เหมือนมีอมงคงภายในตัวเราแต่เป็นอมงแห่งความใสสว่างตัวจะเบากายเบาใจจะเบาเหมือนจะเหาะจะลอยได้ตัวพองพองโตขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็ไม่เมื่อยแม้จะยังไม่มีอะไรมาให้ดูใหม่ๆเราจะรู้สึกสบาย มีความพึงพอใจกับอารมณ์ที่เราได้ในตอนช่วงนั้นแล้วก็ไม่กังวลกับการเห็นแล้วก็เวลาแห่งการนั่งสมาธิเราจะมีความรู้สึกว่าเวลามันหมดไปเร็วเรื่องแตกต่างจากวันก่นอนๆที่เวลาเท่ากันแต่เรามีความรู้สึกว่ามันยาวนาน นั่นคือข้อสังเกตถ้าเราทำถูกหลักวิชานะซึ่งมันก็ไม่ได้มีอะไรยากแค่หยุดแค่นิ่งอย่างสบายๆแล้วไม่ต้องไปกังวลอะไรทั้งสิ้นแม้แต่ความฟุ้งที่เกิดขึ้นก็ไม่เป็นอุปสรรคเราก็ไม่ต้องไปเพ่งไล่ความฟุ้งออกไปหรือพยายามไม่ให้มันฟุง้งให้วางใจนิ่งๆเฉยๆฝึกเอาไว้ทุกวันนะ ในทุกกิจกรรมอาบน้าอาบท่าเข้าหงหน้ามองซุ่มจะรับประทานอาหารหรือจะทำอะไรต้องวางนิ่งๆก็ฝึกไว้ฝึกนิ่งๆวันละสักหานาทีในอริยบทอื่นฝึกเอาไว้เรื่อยๆละคองใจอย่างนี้ทั้งวันพอถึงเวลาเรามันนั่งจริงแล้วใจมันก็จะโครมได้ง่าย ให้เราทำนิ่งนิ่งให้เฉยหยุดนิ่งเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆปล่อยวางเรื่องราวอะไรต่างๆไปเรื่อยๆจากฟุ้งมากมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็ไม่ฟุ้งตัวก็โลง่งโปรง่งเบาสบายตัวขยายกระทั่งหายไปทั้งตัวเลยตัวหายเหมือนเราไม่มีตัวตน คล้ายๆเรานั่งเควงคว้างอยู่กลางอวอากาศเนี่ยมันก็จะค่อยๆก้าวหน้าไปเรื่อยๆยิ่งเราฝึกทุกวันเราก็จะมาเข้าถึงอารมณ์นี้ได้เร็วขึ้นซึ่งที่ผ่านมาเราอาจจะต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงกว่าใจจะโลง่งโปร่งเบาสบายตัวขยายเนี่ย พอเราฝึกทุกๆวันเนี่ยบ่อยๆหาใจใส่เวลามันก็จะลดลงไปเรื่อยๆในการที่จะเข้าถึงจุดตรงเนี้ยถึงประสบการณ์ภายในอย่างเนี้ยจากชะมวโมงหรือครึ่งจะโมงหรือสิบป้านาทีหรือห้านาทีกระทั่งพอเราหลับตามันก็นิ่งเลยเพราะนิ่งกัโล่งเลยตัวขยายเลยต้องฝึกบ่อยๆนะ และเดี๋ยวความสว่างก็จะมาอีกเมื่อใจใเราห่างจากนิวรณ์เรื่องก้นจิตไม่ให้บริสุทธิ์มันก็จะมีความสวาม่างทีละนิดทีละนิดทีละนิดมีบางคนตอนนั้นนทีมันเพิึมปึ้นมาเลยแต่นานๆก็จะเจอสักคนหนึ่งส่วนใหญ่ก็จะค่อยๆเหมือนฟ้าสังส แล้วก็สว่างเหมือนตอนหกโมงเช้าเจ็ดโมงอะไรต่างเหล่านี้นะจ๊ะเราก็จะค่อยๆเพิ่มเวลาขึ้นไปเรื่อยๆหละแล้วก็ต้องเพียรฝึกต่อไปฝึกไปเรื่อยๆทุกวันสม่ำเสมอมันสังเกตเมื่อเราเลิกหรือ ลืมตาก็ไม่แล้ววันนี้เราทําอย่างไรเราถึงเข้าสู่ความสงบสู่แสงสว่างได้เร็วแล้ววันนี้เราทําไงถึงช้าเมื่อถึงจุดตรงนั้นก็ค่อยๆสังเกตไปตรึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆหัดตัดใจตัดอารมณ์ต่างๆเครื่องกังวลมันก็จะอยู่ตรงนี้ได้เร็วเข้า และความสว่างก็จะค่อยๆเพิ่มบูนมากขึ้นจกนกระทั่งถึงแปดโมงเก้โมงสิบโมงถึงเที่ยงวันมันก็จะเป็นขั้นเป็นตอนของมันไปอยู่ในการฝึกฝนเมื่อมาถึงตรงนี้ในะการเปลี่ยนแปลงของจิตใจเราเก็จะเกิดขึ้นคือเราอยากจะคิดแต่เรื่องดีๆพูดแต่เรื่องดีๆ แล้วก็ทำแต่เรื่องดีๆสิ่งเพิ่มไปดีเราก็ไม่อยากจะทำเวลาใจใสมันสว่างพอเราฝึกไปอีกในกลางความสว่างเจอจ้าไม่จะเริ่มเห็นดวงใสๆเกิดขึ้นเองลอยขึ้นมาลอยขึ้นมาจาก ฐานที่6กทึงอยู่ในระดับเดียวกับสะดือในกลางทองเป็นดวงใสๆอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นหรือโตจะกับฟองไข่แดงของไก่เป็นต้นมันจะสุกใส ดวงทำดวงแรกปรากฏขึ้นจะใสอย่างน้อยก็เหมือนนา้าใสๆเหมือนกระจกคันช่องที่ส่องเอาหน้าใสๆเหมือนเพชรบากเพชรที่ต้องแสงหรือใสกว่านั้นใสเกินใสก็ปรากฏเกิดขึ้นนั่นแหละคือดวงปฐมมัก ในดวงธรรมนุปัสสนาสติปัฏฐานตาที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราท่านมันญยัดเอาไว้ดวงใสใสปรากฏเราก็ต้องฝึกให้มันเห็นชัดนั้งหลับตาและลืมตาในทุกอริยาบทหลับตากระชัดค่อยๆลืมตาขึ้น มันก็ยังชัดอยู่ที่กลางกายจะนั่งนอนยืนเดินหกเมนตีลังกาอย่างไรเนี่ยในทุกอริยบทมันก็ยังชัดใสแจ่มซึ่งตอนนี้นก็จะยิ่งทำให้เกิดการเปลีป่ยนแปลงในการดำเนินชีวิตของเรามากขึ้นก็จะคิดดีมากขึ้นพูดดีมากขึ้นทำดีมากขึ้นใจอยากจะ สั่งสมด้วยความดีจะละช่วยจะทำดีอยากจะทำให้ใจบริสุทธิ์เพิ่มมื่นดวงใสที่ปรากฏมาถึงน่ะตรงแค่ดวงใสนี่เราก็ปิดประตูอบายแล้วเปิดประตูสวรรค์นิพพานแล้วอย่างน้อยก็ไปสุคติภูมิที่เปิดประตูนิพพานนี่คือต้นทางที่จะไปสยยนนู่อริยานนิพพาน จะเป็นดวงธรรมใสๆคล้ายดวงแก้วเพราะนั้นดวงธรรมตรงนี้กับดวงแก้วมันคล้ายกันตรงที่กลมกลมรอบตัวแต่ความใสนั้นแตกต่างกันความสว่างก็ต่างกันความสุขก็ต่างกันความสงบต่างกันความสะอาดของดวงจิตต่างกัน ต่างกับการที่เราเห็นดวงแก้วภายนอกจะสะอาดจะสว่างจะสะงบจะมีความสุขอย่างที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนเลยนะใจก็จะตั้งมั่นอยู่ที่ตรงเนี้หลับตาลืมตานังนอนยืนเดินก็จะอยู่ตรงเนี้เป็นดวงใสๆจะมีความเบิก บ, บาน จรู้จักคำพ่อเบิกบานแต่เมื่อเห็นดวงใสๆหรือเข้าถึงดวงใสๆดวงธรรมดวงแรกดวงธรรมมาตัวสัศนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคเบื้องต้นที่จะไปสู่อายตนานิพานน่ะเราก็ฝึกทำให้มันชำนาญอย่าชลาดใจว่าเออเราจะทำเมื่อไหร่ก็ได้ มันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะจิตใจเรามันยังไม่มั่นคงยังโลเลอยู่ถ้ามันมีเรื่องภารกิจห ย, ยาบเข้ามามันก็จะดึงใจเอาไปติดไปคิดไปพูดไปทำเรื่องห ย, ยาบความละเอียดของใจมันก็จะยอนลงไปพอย่อนไปที่เคยเห็นมันก็จะเลื่อนลางพอเลื่อนลางแล้วก็อยากจะเห็นอย่างเดิมอีกก็จะตั้งใจ มากเกินไปยิ่งแต่งใจมันก็ยิ่งเลือนลางหายไปเลยและความกลุ้มมันก็จะเข้ามาแทนที่ความเสียดายที่เคยได้อะไรต่างๆเหล่านี้เนะี่ยมันก็จะเกิดขึ้นเพราะนั้นไม่ได้ดวงใสแล้วก็จะต้องรักษาเอาไว้ให้ยิ่งชีวิตทีเดียวมนุษย์จานวนมากที่มาเกิดันไม่เคยเห็นดวงใสในตัวเลย ย่าาแต่คดหัดเลยแม้แต่นักบวชเหมือนกันดวงใสนี้ยังไม่เคยเห็นจะจบปริยัตมาถึงประโยคอะไรกันแล้วแต่จะแตกฐานทางด้านปริยัตพระสัมมาสมัมพุทธเจ้า ก, ก็ท่านยังเรียกว่าใบล้านเปล่าพวกที่เป็นแบบใบล้านเปล่ายิ่งแตกฐานยิ่งเป็นนักคิด ก็คิดไปเรื่อยเยไปตามทัศนะของตนแต่ความจริงก็ยังได้ชื่อว่าใบลานเปล่าเพราะว่าเข้าไม่ถึงดวงธรรมใบในในพระสสมมาสัมพุทธเจ้าท่านเข้าถึงอย่างนี้ถึงแล้วก็เห็นไปตามลำดับเห็นกายในกายกระทั่งไปถึงกายธรามรมอลันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นนักคิดทางทฤษฎีเนะี่ยที่เ้าเรียนปริยัติมามากมากเป็นนักคิดนักพูดนักเขียนกรรมมักจะมีความมั่นใจว่าต้องปริยัติอย่างเดียวไม่ต้องปฏิบัติทั้งหมดมีอยู่ในปริยัติแล้วก็บอกปริยัติต้องมาก่อนปฏิบัติก็จะยืนยันกันอย่างนี้ซึ่งจริงๆก็พูดถูกครึ่งเดียว มันขึ้นไว้จับตอนไหนถ้าจับตั้งแต่ตอนพระสัมมาสัมพุทธเจา้าตอนเป็นบรมปมโอดีสัตท่านปฏิบัติก่อนนะถึงจะไปเข้าถึงความรู้แล้วก็ถ่ายทอดออกมาเป็นคำสอนที่เรล็กว่าบริยัตคือท่านก็เรียนผ่านความรู้จากครูบาอาจารย์ต่างๆมาทั้งภาคทฤษฎีภานปฏิบัติ แต่ก็ดับทุกข์ไม่ได้ในสุดทั้งกระทังทิ้งความรู้ทั้งหมดที่เคยเรียนมาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติแล้วก็มาลงมือปฏิบัติกันที่ตายตนโพโค้งไม้พระศรีมหาโพโดยทำใจให้หยุดนิ่งแล้วก็ว่างงไม่คำนึงถึงความรู้ที่เรียนมา เพราะมันเอามาใช้ไม่ได้หลักสูตรนั้นมันไม่จบมันค้างคาใจอยู่และท่านก็มาหยุดนิ่งๆโดยตั้งมโนปณิธานว่า<ม>เนื้อเลือดจะแห้งเหือดอายไปเหลือแต่กระดูกหนังช่งมันถ้าหากว่าไม่พบความรู้ไม่หลุดพ้น ไปพบความรู้ในการดับทุกข์และยังดับทุกข์ไม่ได้ไม่ลบจากที่ก็แปลว่าท่านก็ต้องปฏิบัติก่อนปฏิบัติคือทำนิ่งๆนี้ น, นั่นแหละจนกระทั่งเห็นไปตามลาดับแล้วก็หลุดพ้นไปตามลาดับวิชาสามก็บังเกิดขึ้นไปตามลาดับของวิชาเนี่ยปฏิบัติเนี่ยมันต้องมาก่อนในระดับของพระบรมครูเนะี่ย ปริยัตมาตอนที่ท่านจะสอนพระสาวกสอนนักเรียนสอนมนุษย์เทวดาทั้งหลายจึงถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดใช้คำพูดเป็นสื่อของความรู้นะแล้วก็กบันทึกรวบรวมเป็นพระไตรปิฎกเป็นภาคทฤษฎีปริยัตให้นักเรียนหรือภาษาวก ได้ศึกษากันต่อไปเพื่อที่จะได้นำไปปฏิบัติและก็เข้าถึงปฏิเวทะคือมีประสบการภายในเช่นเดียวกับพระองค์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะถามว่าอันไหนมาก่อนกันมันก็ขึ้นอยู่กับพูดตอนไหนแต่าหากว่าถ้าจะเริ่มจาก บรมศาสดาปฏิบัติก็ต้องมาก่อนแล้วก็ไม่ได้อาศัยความรู้จากครูบาอาจารย์อื่นๆเลยดังกล่าวนั่นแหละแต่ว่าเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวแล้วก็เมื่อมีมหากรุณาอยากจะถ่ายทอดความรู้ไอกษัตรสรัต์ทั้งหลายจึงพูดออกมาแล้วก็ทรงจำางินตดต่อกันมาที่ปากต่อปากก็เรียกว่ามุขาปาทะ แล้มารวบรวมเป็นตำรับตำลาถ้าสำหรับนักเรียนนั้นปริยัติก็ต้องมาก่อนเพราะเรียนความรู้จากครูบาอาจารย์ก็ต้องศึกษาภาคทฤษฎีแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติเไยถึงปฏิเวทเส่ห์ของผู้เจา้านั้นท่านปฏิบัติแล้วก็เข้าถึงปฏิเวทมีประสบปกาภายในหลุดพ้นแต่นักคิดปัจจุบันเนี่ย ก็จะติดอยู่ในตำรับตำลาจะยืนยันยเฉพาะปริยัติอย่างเดียวว่าทุกอย่างมีในปริยัติปฏิบัติไม่มีซึ่งมันก็ไปข้ากับคำสอนของพระบระมศาสดาแต่เนื่องจากมีชื่อเสียงพูดอะไรคนก็ฟังกันไปแต่ฟังกันไปก็จะเป็นประเภทใบลานเปล่าอย่างนั้น เพราะฉะนั้นลูกทุกคนก็จะต้องเดินรอยตามของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเนี่ยคือเมื่อเราฟังภาคทฤษฎีแล้วเนี่ยเราก็นำมาปฏิบัติเลยเพราะการพิจารณาและปล่อยวางเนี่ยมันใช้เวลาแค่นาทีสนาทีก็จบแล้วมาทุกอย่างสปปรรพสิ่งทั้งหลายสปปรรพสัตว์ทั้งปวงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปซึ่งความจริงก็เป็นอย่างนั้นแหละ ต้องใช้เวลานานเลยนาทีสองนาทีก็จบแล้วเหมือนกายมนุษย์มีการแปรเ ป, ปลี่ยนแปลงกั น, นมาอยู่ตลอดเวลาเพื่อจะไปสู่จุดสลายคือเชิงตะก้อนนั่นแหละความเสื่อมปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะสลายไปในที่สุดซึ่งเราใช้ความนึกคิดตรงนี้แค่นาทีเดียวกจบแล้ว และหลังจากนั้นก็มาฝึกหยุดนิ่งทำให้มันได้ให้มันหยุดมันนิ่งเดี๋ยวมันก็จะเป็นไปตามลำดับทั้งที่ได้กล่าวมาเบื้องต้นนั่นแหละคือโลง่งโปร่งเบาสบายตัวขยายแล้วก็ตัวหายไปแสงสว่างเกิดขึ้นดวงธรรมปรากฏขึ้น จากดวงธรรมดวงแรกเดี๋ยวก็จะก้าวไปสู่ดวงธรรมดวงถัดไปกระทั่งเห็นกายในกายกายมนุษย์ที่ลมอุลุภมกระทั่งเข้าถึงกายธรรมพอถึงกายธรรมแล้วตอนนั้นแหละเราถึงจะมั่นใจว่าสาระที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงเนี่ยคือ พระธรรมกายในตัวหรือพระธรรมตรัยในตัวนี้เองจะเข้าใจแล้วก็จะซาบซึ้งเมื่อเข้าถึงเงินจริงๆที่ไปถึงแล้วก็หมั่นทำให้ให้ได้ตลอดเวลาทั้งหลับตาลืมตานั่งนอนยืนเดินฝึกไปเรื่อยๆเลยเราก็จะเห็นองค์พระอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวท่านจะขยายขึ้นมามง เปน็นหนึ่งเดียวกับตัวเราครอบตัวเราก็มีผุดผ่านมาในกลางกายเพิ่มขึ้นมาอีกก็มนะีขึ้นมาเรื่อยๆต่อกันไปไม่ขาดสายเลยผนะุดผ่านข็้มาในกลางกายในช่วงที่ความรู้สึกของกายมนุษย์หมดไปแล้วและจะมีความรู้สึกว่าเป็นพระนะ ตอนที่เข้าถึงพระแล้วเป็นอันหนึ่งเดียวกับพระในตัวนั่นแหละมันจะใสสว่างแล้วพอถึงตอนนี้เราจะศึกษาวิชาสามอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจาแต่ศึกษาก็ได้แล้วศึกษาวิชาสามนั้นก็ศึกษาด้วยธรรมกายจริงจริเรียกว่าวิชาธรรมกายคาว่าวิชาเนี่ย เขเขียนแตกต่างจากทั้งโลกคือมันมี ช, อช่อจางสองตัวบอแหวนศตรี ช, ช่อจางสองตัวสลาวิชาซึ่งแปละว่าความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งไม่ได้เกิดจากการคิดคํานึงคากนในหาเหตุหาผลในตักกะหรือจากการอ่านการฟัง แต่เป็นความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งเมื่อใจหยุดนิ่งแล้วนะ่ะมันจะสว่างเป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระภายในวิชาต่างกะใช้กายทํานี่แหละศึกษาวิชาตั้งแต่กายธรรมโสดาบันนะหน้าตักห้าวาสูงห้าวาศึกษาวิชาพพเพนิวาสานุสติญาณการระลึกชาติ หหลังได้พอไปถึงตรงนั้นนะท่านก็อยากจะรู้ว่าก่อนท่านมาเกิดแล้วท่านมาจากไหนเนะี่ยแล้วก็นิ่งอย่างเดียวอะนิ่งไปในนั้นอนะในกลางกายทำโดยบารมีที่ได้สั่งสมมาก็ส่งบุนตอนนี้และสังโย์ได้ละไปบางส่วนแล้วจางลงไปแล้วนะ เพราะฉะนั้นการรู้เห็นอะไรก็แจ่มแจ้งพระบารมีของท่านมากก็จะเห็นเป็นเรื่องเป็นราวเป็นภาพต่อเนื่องกันไปอาก่อนมาเกิดท่านมาจากสวรรค์สันดุสิทธิ์เป็นเท้าสันดุสิทธิาก่อนที่จะมาเป็นเท้าสันตุสิทธ์ท่านอะไรก็เห็นไปเรื่อยๆได้มาจากตรงไหนสร้างบารมีอะไร ก็สาวไปเรื่อยๆดูไปมองไปเดี๋ยวก็รู้เรื่องราวเร า, เราว่ามันเห็นเห็นเป็นภาพเกิดขึ้นมาพร้อมกับความเข้าใจในเวลาเดียวกันเข้าใจแจ่มแจ้งกันไปนี่ก็ศึกษากันอย่างนี้ด้วยธรรมกายเขาเรียก ว, วิชาธรรมกาย นะพบเพในวาสานุสิยานและเลือกชาติผลหลังของตัวจตุปปาตยานนี่ศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรมทำกรรมอย่างนี้โดยกายโดวยวาจาโดยใจยจะไปเกิดในภพภูมิอย่างนั้นอย่างนี้ก็จะทำให้เข้าใจว่าความแตกต่างของมโมมฤตยยชาและสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันมี เหตุผลอย่างไรก็จะเห็นเรื่องราวไปเลยการเกิดขึ้นและการดับไปของสรรพสัตว์ทั้งหลายประกอบกรรมอย่างนี้ระตายจากตรงนี้กลับไปเกิดตรงนน้นเหมือนปลาในท้องทะเลที่โผล่ตรงนี้ปลุกตรงนน้นดำน้ตรงนี้ไปโผล่ตรงนน้นตายจากมนุษย์ไปเป็นอะไรต่ออะไรสรรพัด โดยวิบากรรมอย่างนั้นอย่างนี้อะไรก็เห็นเป็นเรื่องเป็นราวไปนี่ก็เป็นวิชาที่สองทีเดียวแล้วก็ถึงสาไปหาเหตุว่าทำอย่างไรเนี่ยถึงจะไม่เกิดอีกก็มองดูตรวจตาดูเพราะฉะนั้นต้องเห็นทั้งนั้นแหละไม่เห็นไม่ได้แลวคิดไม่ออกคิดไม่มีทางหมดอิเลส นั้นท่านเห็นไปอย่างเงี้เยเรื่อยๆจนกระทั่งท่านหลุดหมดเลยจากอิเลสทั้งหลายได้บา ร, รมีที่เต็มส่วนกําลังของบา ร, รมีส่งผลให้เต็มส่วนชุดท่านหลุดไปเลยไปเปน็นันหนึ่งเดียวกับกายธรรมบาหันตสมมาสมพุทัเจา้าะหว่างสวยัยจึงปฏิญาณตนว่าเป็นพระสัมมาสมุทัเจา้า หลุดพ้นจากกิเลสหลุดพ้นจากกฎแห่งกรรมหลุดพ้นจากกฎของไตรลักษณ์หลุดพ้นจากภพทั้งสาแล้วก็เข้าสู่นิพพานภายในที่เข้าวเดือดกาบันก็เรียกสาอุปาทิเสสนิพพานโดยการทำอาลานต์สมมาสมุติจเจ้าสถไววิมุตติสุข สุขที่หลุดพ้นจากกิเลสความสามารถทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยที่มีอยู่ในพระสัมมาสัมพุทธเจา้าก็มีอยู่ในตัวของเราและมวลมนุษยชาติทั้งสิ้นแต่ว่าเราไม่เคยศึกษากันหรือศึกษาแล้วก็ไม่ได้เอาใจใส่ไม่ได้ความสำคัญกันอย่างจริงจัง เราจึงยังไม่รู้ไม่เห็นอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระอริยสาวกทั้งหลายเพราะั้นขึ้นอยู่กับความเพียรทำความเพียรและกลายมันต่อเนื่องกันไปอราทำกันจริงๆแล้วก็โล ก, ก็ต้องเข้าถึงนันทุกคนแหละทั้งหมดนี้คือกรณียกิจครื่องงานดีแท้จริงของมวลมนุษยชาต ที่เกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ต้องทำกันอย่างนี้ลูกทุกคนจะเป็นผู้มีบุญที่สั่งสมกันมาดีในระดับหนึ่งทีเดียวจึงมาถึงณตรงนี้เนะี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีของเราที่เราจะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวก็จะปล่อยให้โอกาสที่เป็นวิกฤต ให้ตั้งหน้าตังตาฝึกใจให้มันหยุดไอ้มันนิ่งกันไปเรื่อยๆอย่างสบายๆตักวันหนึ่งก็จะเป็นวันแห่งความสมปรารถนาของเราเพราะนั้นในตอนนี้เราก็หยุดนิ่งๆสบายๆตรึกระลึกนึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาจนกระทั่งมาถึงวันนี้อ่าง่าเป็นบุญต่อบุญ เราจะได้อธิษฐานจิตไปดุสิตบุรีวงบุญบพิเศษเขตวลมโพดิสัตว์ไม่พลัดกันเลยและพบชาตต่อไปกลสมบูรณ์ในรูปสมบัติทรัพสมบัติคุณสมบัติลาบยศสรรเสริญสุขมักผล น, นิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาตได้เอ่นมมะกันตั้งแต่ยังเยาวว้ สร้างบารมีเรื่อยไปจนกว่าจะหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งดำให้บังเกิดในล่มเงาของพระพุทธศาสนาพิจาธรรมกายในครอบครัวจะเป็นสัมมาทิฏฐิมีสิ่งแวดล้อมทีม่เกื้อหนุนตการสร้างบารมีของเราจะมีพวกพ้องบริวารหมู่ญาติกลายเป็นคนดี มีศีลมีธรรมเป็นมันฑิตเป็นนักปราชญ์มีทรัพย์แล้วก็จะได้ตรนันีจะได้มีมานณทิธิให้ใช้ทรัพย์เป็นได้ดวงปัญญาของเราในการสร้างบุญต่อบุญบา ร, รมีต่อบา ร, รมีไปเรื่อยๆจนถึงจุดหมายปลายทางปัจจุบันชาตินี้เรากาลังสร้างบา ร, รมีอยู่ก็ให้บุญทุกบุญเนี่ย ไปเชื่อมสายสมบัติให้เราได้มาใช้สร้างบารมีอย่างไม่จบหมดจากสิน้นจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ให้ใหาย ใ, ให้แข็งแรงอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีนนานๆปฏิบัติธรรมะกายพบพระธรรมกายข่าวโคร่ก็เป็นข่าโคร่ธรรมกายให้มีสมบัติใหญ่ไหลมาเทมา ให้หลได้ใช้สร้างบุญมีอย่างไม่รู้จักหมดจากสิ้นหมดนิ่หมดสิ้นเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบุญมีอย่างนี้เป็นต้นกันและอธิษฐานนึกถึงบุญอุทิศส่วนกุศลไปยังบรรพบุรุษบุปภการีมูญาตที่ละโลกไปแล้วไปอยู่ในภพภูมิใดก็ตามให้บุญนี้ได้ไปถึงท่านเหล่านั้น ที่มีทุกมากก็ให้ทุกน้อยที่มีทุกน้อยก็ให้พ้นทุกที่มีสุขน้อยก็ให้สุขมากที่มีสุขมากแล้วก็ให้มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆระบบ น, นี้ให้ถึงแก่คู่กรรมคู่เวรเราจะได้เป็นโอโหสิกรรมกันไปแล้วก็ถึงแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาทกันนะจ๊ะให้ต่างคนต่างนั่งไปงิบเงี้ย